กายใจของเรามันไม่ใช่ของเรามันแสดงออกถึงความทุกข์ด้ทั้งวันแยวโปรดแถวเมื่อการขยับการเคลื่อนการไหวแต่ละขณะมันก็เป็นอาการที่มันแสงออกการบรรเทาทุกข์การแก้ทุกข์ เดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวก็กินก็ดืม่มเดี๋ยวขับถ่ายอาบน้ำอาบท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าสกปรกก็เป็นอย่างนั้นความทุกข์ทิมเกิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วรู้อีก มันมีความรู้สึกตัวอยู่มันก็รู้สติปัญญาเห็นกายทางความเป็นจริงเป็นสภาวะทุกข์ต้องผ่อนกายบรรเทาแก้ไขจิตใจคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ พบภูมิต่างๆดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีก็รู้สึกตัวไปกับความคิดแต่ว่าไม่ใหม่อเพิ่งไปยุ่์กับมันกลับมาทันทีแต่พอมีสติมันก็รู้เท่ารู้ทัน ท, นทันทีไม่ได้ตั้งใจเริ่มเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเองเราก็รู้เมื่อเกิดจับเป็นสภาพของพไติลักษ ภาวาละลักษณะสามอย่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพลังของชีวิตใช้ไปสิ้นเปลืองไปเสื่อมไปถอยไปจิตใจก็ไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจักแก่จักเจ็บมันมีแต่พบแชิ ซึ่งเกิดดับไปแล้วก็ทียิบเลยความรู้สึกตัวมันก็บอกแบบนั้นนะเราเห็นของจริง เ, เต็มหูเต็มตาจนมันได้คำตอบมันเหมือนกับมันแสดงออกเพื่อที่จะตอบตัวมันเองนั่นแหละ เ, เราไม่ได้ไปตอบแทนมันหรอก ม, มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จึงไม่ได้ไปหาดูอะไรปฏิบัติธรรมมีธรรมันมาให้ดูให้เห็นเราก็ปกติอยู่รู้สึกตัวอยู่อันนี้คือการฝึกการหัดที่มันมีพัฒนาการของมันแน่นอนตรรกคลที่เหมือนกับผ่านนิวรณ นิวรธรรมจริงๆนิวรธรรมมันก็เป็นธรรมที่เป็นอากุศลนะถ้ามันเกิดไม่ถูกวเวลาเวลามันเกิดในขณะที่เราไม่ต้องการให้เขาแสดงออกหยิบมาใชนะ้ทำหน้าที่เช่นจะนอนนะ ถ้าเกิดาการว่วงเหงาหานอนถือว่าเป็นกุศลทันทีมันไม่ใช่เป็นตัวอกุศลที่จะพาเราเหมือนกับตอนปฏิบัติหรือว่าอ่านหนังสือขับรถขับลากาลังทำงานตะ ง, ง่วงมันก็เป็นตัวที่ทําให้เราทํางานไปแล้วเสร็จ ถ้าเป็นการนอนเนี่ยมนเริ่มต้นจะทำหน้าที่ให้มันแล้วเสร็จกหลับซะเ <Okay. S 1> ราจัดระเบียบแบบ น, นั้น <Yeah. S 1> ในอารมณ์ทุกอารมณ์มันเป็นอาการ <Yeah. S 1> เกิดจากการพรุงแต่ง <Yeah. S 1> เวลาเผลอไปนในความคิดห <Yeah. S 1> ลงเข้าไปในอารมณ์ครับยาวเราอะไรมีฐานกายกระตุกกลับ <Yeah. S 1> หรือสติดีๆมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะ ระหว่างตัวรู้กับตัวหลงระหว่างความเป็นปกติกับความไม่ปกติความเป็นกลางกับความไม่กลางความว่างกับความไม่ว่างรู้เฉยๆก็มันไม่รู้เฉยๆมารู้แล้วมันไม่เฉยมันจะเป็นความพอใจไม่พอใจรู้เฉยๆตัวรู้เฉยๆมันเป็นยังไงเช่น เมียลิงกัเจ้าของลิงเจ้าของลิงก็เลี้ยงลิงระหว่างนอนหลับลิงก็ดูแลเจ้านายอย่างดีมลแรงวันก็บินมาเกาะรบกวนเจ้านายกลาลังนอน หรือเงยอยากจะช่วยจนนายก็หยิบไม้หน้าสามตีเมงวันเต็มแรงเลยละเป็นไงละ่ะเมงวันตายแล้วหน้าแหกตรงเนี้เป็นเรื่องของรู้เฉยๆถ้าจะช่วยก็ช่วยด้ยวรรยปัญญาปัญญาไม่เป็นหน้าผู้ดู่ดูแลเห็นเห็นแล้วไม่กลับไปเป็นถ้าจะเกี่ยวข้อง่ เป็นกลางเกี่ยวข้องเรื่องคาเป็นกลางกับทุกๆฝ่ายมันก็เป็นอย่างนั้นนะพะว่าพูดดูแล้เราก็เลยเห็นละว่าเรื่อของการเคลื่อนการไหวนกายก็เคลื่อนไหวได้จิตใจก็คิดนักเคลื่อนไหวได้ภายนอกและภายในภายนอกก็เคลื่อนไหวได้ เดี๋ยวลมพัดต้นไม้ก็ไหวเดี๋ยวพัดลมตุกเปิดสวิตช์ขึ้นมามันก็ไหวเนี่ยมันก็เป็นลนักษณะของเกริยา<ม>กาิยาภายในจิตใจของเราเป็นอาการแสดงออกมาภายนอกรูปกระทบที่ตา<ม>จิตของเรามันก็เห็นอยู่รู้อยู่เสียงมากระทบที่หู ตัวสติก็ก็ะลึกรู้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องของอายจัตุนัตเป็นเรื่องของภายในภายนอกที่ลักษณะของตัวสติก็รู้นอกรู้ในเหมือนกันมันก็มีแต่ผู้ดูที่ทําหน้าที่ผ่านตลอดผ่านตลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อเกิดการปล่อยการวางเนี่ยแล้วก็รู้เท่ารู้ทันแบบรู้เฉย ก็จะรู้คลองตัวสติสัมปัญยะเป็นไววพิปฏิปันมันก็รู้ฐานที่มันมีอยู่จริงๆเป็นการเคลื่อนการไหวของกายหรืออาการที่แสดงออกที่กายภาษาธรรมะเรืเวทนาสุขทุกข์ต่างๆหรือความไม่สุขไม่ทุกข์ ควาเป็นกลางความพอดีจิตใจที่มันเป็นสภาวะของจิตเติมแท้จิตปกติหรือว่าจิตที่มันเข้าไปในความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆมันมีตัวหลงตัวไปรู้ไม่รู้สึกตัวไม่รู้ที่ทกายไม่รู้ที่เวทนามันก็ไม่รู้ที่จิตพอมก็เรียงไปตามลําดับของมันนั่นแหละการเรียงในตามลําดับเขก็หมายถึงว่า กำลังของสติที่มันจะรู้เท่ารู้ทันนะเกิดความเป็นเองมีความคมความชัดละเอียดประณีตลึกซึง้งรู้แล้วเกิดความทราบซึ้งมากขึ้นตื่นตัวตื่นกายตื่นใจแปว่าธรรมชาติต่างๆเมื่อกายเรารู้สึกได้ตาหูจมูกลิ้นก็ต้องรู้สึกได้เวลาจิตมันคิดก็ต้องรู้สึกได้ไม่ให้รู้ ง, งงไม่ได้ ความเกิดความรู้สึกที่ตัวกายทั้งหมดนั่นแหละมันก็ละเอียดมันก็จริงหลวงพ่อตั้งกเทศอยู่เสมอแล้วอีกหลายคนหลายท่านที่ทําเป็นก็เห็นแลวภ า, าะวะผู้ดูในบางทีไม่ต้องเคลื่อนไหวไกายก็ไดนะ้ความนิ่งมันก็มีหลือวความเป็นเองมันก็มีเราไม่ต้องเจตนาเคลื่อนเพราะว่าสติมันจะทําหน้าที่โดยอัตโนมัติของมันก็คือหน้าที่ระลึกรู้ อะไรหยาบสุดมันก็รู้ก่อนความรู้สึกภายในแสดงอารมณ์ออกมาหยาบสุดมันก็รู้ก่อนหรือว่าภายนอกมันมีอารมณ์ที่มายยั่วยุปลุกเราเชิญชวนมันจะชี้นํามันจะสร้างกระแสของสุขของทุกข์นะกระแสกุศลธรรมกระแสอกุศลธรรมมันชี้นํามันสร้างกระแสมันก็เป็นสภาวะที่เราก็ไม่ได้ มีปัญหาอะไรเมีตะแาร่นตลอดนภายนอกก็ทําอะไรไม่ได้ภายในก็ทําอะไรไม่ได้อาจมีการกระเทือนเล็กๆการสัมผัสกระทบเล็กๆแต่ว่าก็คือความรู้สึกตัวอิม่มก็วางอีกท่านจึงรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยเมื่อปล่อยมันก็วางวางก็วางมันก็มีสภาวะของความรู้สึกตัว ความว่างก็เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันแหละรารู้ว่าว่างแต่เป็นว่างพร้อมรู้นะมันว่างพร้อมใช้นะมันก็ไม่ใช่ทิ้งนะนะทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะเนะมืเ่อเป็นธรรมะมันก็ไม่ต้องดวนรับดวนปฏิเสธนะไม่ เ, เป็นความพอใจหรือความไม่พอใจมันก็มีไว้ใช้ทั้งหมดนั่นแหละ มันก็จึงเป็นสภาวะของผู้ดูเป็นการเคลือนสู่ธรรมชาติเห็นก็สักตัวว่าเห็นไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขามันเห็นเฉยๆได้ยินก็สักตัว่าได้ยินไม่ใช่ศัตรูตนบุคคลเราเขาก็ได้ยินอยู่ก็โต้ตอบก็ได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าเป็นตัวปัญญาพาธรรมทำภาคิดพาพูดมันก็ไม่ได้เป็นสภาวะของการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่น อันนี้เป็นการสัมผัสสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือว่าเรียกว่าการอนุเคราะห์สงเคราะห์หรือว่าือเฟื้อมันช่วยเหลือกันแบบนั้นบุคคลต่อวัตถุบุคคลต่อบุคคลบุคคลกับทุกสินทุกอย่างสรรพสัตว์สรรพสิ่งแล้วกลายเป็นเรื่องของเมตตาผุ้ที่สัตว์เป็นเรื่องของใจดีใจงาม หรือว่าตามเหตุตามปัจจัยเ้าช่วยกันไปแต่ว่าแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็แล้วกันไปก็ไม่อยู่แค่เนี้ยนะเป็นการหน้าที่ได้ทําหน้าที่ได้ตรงแล้วก็ถูกต้องต่อไปนะมันก็เลยนะเกิดอิสระภาพเกิดเสรีภาพขึ้นไปนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มันนะอยู่เหนือโลกต่อไปนะโลกนี้มีอะไรก็มีสุขมีทุกข์นะโลกมนุษย์ มันจะมีการบรรลุธรรมหมายถึงว่าสุขทุกข์มันสอนให้เราไม่ต้องยึดต้องติดติดสุขก็กลายเป็นหลงสุขเงี้ยนะยิ่งอยากได้สุขก็เหมือนกับวิ่งไล่จับเอาตัวเองเหมือนกับลางโง่ที่เดินตามกินแครอทลางโง่ผูกเอาไว้เจ้าของอย่าให้ลากเกวีย น, นก็ไม่เสียบหัวไว้เอาแครอท ห้อยเไว้มันก็อยู่ตรงหน้านะ่ยจะกินไม่ได้สักทีเี้ยมันก็เดินตามไปเรื่อยก็ลากเกวียนไปด้วยเสียเปรียบบางทีมีทุกข์ก็อมทุกข์จมทุกข์กลายเป็นหลงโลกแบกโลกคนแบกโลกแต่พอมถอยมาดูมันมีความรู้สึกตัวมันก็เห็นความจริงนสุขมันก็เป็นอาการเี้ย ความทุกข์เป็นอาการความสุขเป็นความรู้สึกตัวความทุ่งก็เป็นความรู้สึกตัวเป็นก้อนของอารมณ์ก้อนหนึ่งเป็นธรรมชาติที่จิตมันเผลอปรุงเข้าไปกลายเป็นน้ำหนักที่มันผิดปกติความเป็นปกติก็จึงนะเป็นมาตรฐานเป็นบ้านของจิตนสุขขนาดไหนก็ตามน มันก็แค่สุกนั่นแหละแล้วท้ายสุดก็คืนสูบปกติจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามจะเรื่องอะไรวิเศษวิโสขนาดไหนก็ตามท้ายสุดก็แค่สุขนั่นแหละแค่ทุกข์นั่นแหละเี่ยท้ายสุดก็คือมันไม่ใช่ความเป็นปกติทั้งคู่เป็นแค่อาการมันก็จึงไม่มีค่าอะไรนะค่ามันก็ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ให้ค่ามันก็ได้ถึงมันจะเป็นเลขโสดมันก็มีค่ามากมายแล้วเกิน มันเป็นลักษณะของว่างจากความหมายความเป็นตัวตนความเป็นโกโูไม่มีหรอกในจิต ท, ที่เป็นปกติแต่ว่ามันเป็นผลด้านหนึ่นงที่เกิดมาจากการสร้างความเพิกตัวอย่างถูกต้องจริงๆรู้กายวางกายมาแล้่กนะ็เริ่มแล้วส ก, กายญาติติเกิดการปล่อยการวางขึ้นมารู้ททนความคิดรู้แล้วรู้อีกนะรู้แล้วไม่ปรุงรู้แล้วไม่ปรุง ร, ร, รู้แล้วตัดรู้แล้วตัด มันรู้แล้วตัดมันก็ต่อไม่ติดเนี่ยร้อยต่อมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวเนี่ยที่มันเลือกเป็นเป็นสติเป็นปัญญาเป็นปัญญาพุทธะที่มันเลือกเป็นเลือกที่จะใช้ชีวิตมากกว่าเราจะใช้ชีวิตในชีวิตมันใช้เรามีกายกายก็มีไว้ใช้ไม่ใช่มันใช้เรา มีจิตมีใจมันก็มีไว้ใช้ไม่เห็ในใจเราคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทํามีวาจาเหมือนกันมีก็มีไว้ใช้ไม่เห็ในใช้เราเราเป็นทาตุมันานานเป็นทาตของกายกายป่วยนะใจก็ป่วยเป็นทาตมันพอใจป่วยะทุกข์มากะก็เบียดเบียนกายไม่ยุติธรรมอย่างเงี้ยแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่าการเหล่านี้เป็นเพียงแค่น ธรรมชาติเราก็เลยเกี่ยวข้องะไม่ว่าจะเป็นวัตถุหนึ่งสองสามเป็นเพียงแค่ก้อนาธาเท่านั้นเหมือนกนเมื่อกี้ที่เราสวดกันธาตุปัจจเหตุเราเกี่ยวข้องกันอะไรมั่งที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอย่างประสงค์เนี่ที่อยู่อาศัยอย่างคือโคนไม้พระเจ้าจตรัสไว้ชัดนน่นโค่นไม้นนท์เลือนว่างนนท์ทำนน่นก อ, องควาง ไปนั่งมันวิเวกดีตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันนะตั้งสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวจะทำอาณาปานาสตนะิแต่ว่ายุกลามต้องกายยคกตาสติหนะรืออาการเห็นกายนะในหมวดที่ละวัสยภาพะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆอย่ยารักษาโรคกน้ำหมดเน่ า, านนมันไม่ใช่เพนะิซิลิน หรือว่าปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายหาอยู่หายาตู้ยาหรือคนมันก็ไปได้อย่างเราพระสงฆ์ก็ต้องคอยรับประเันอยู่ตลอดลเวลาถ้าจะเล่นสมบติเองตามระเบียบวินัยก็ต้องคอยประเนันเงินตลอดเท่านั้นเจ้ายาจะไปเลื้อยไปคนก็ไม่ได้นต้องให้ยมก็เห็นว่าป่วยแล้วก็นํามาให้เรามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไปเลื้อยเองก็เท่ากับอาบัตแล้ว ก็ต้องปรับอาบัตรกันอะไรมากมายแล้วเกินอย่างเงี้เป็นต้นนะต่อมาก็คือนะอาหารอาหารเราก็ได้จากบินทบาทนะก็คือถือบาทไปแล้วก็ไปนะรับจากชาวบ้านไม่พูดสักคำวิธีขอนะไปยืนนิ่งๆไม่แคร์ไม่มไอหนะนึ่งมาก เพื่อเขาเหมือนกับว่า เ, เ, เกิดศรัทธาแล้วก็ต้องรอคอยเราเต้องเกียมหุงอาหารนั้งตเช้ า, เ, าเราไปแล้วก็นิ่งๆยืนเฉยๆไม่ต้องตะระกัวเรียกกั น, นมันขอเรียกว่าบินทาบาดนแต่ของเราก็ตักมาแล้วก็เออบินตาบาดมาแล้วก็มารวมกันตเนะเบ็งผสมมารวมกันใครได้เปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรมากรองรวมกันเสร็จแล้วเราก็ตักแบบปุ๊บเป๊ เคยมีครั้งหนึ่งกันมาเคยพาพาบดใหม่ไปเดินทางสายบางเขยอยู่ไหมปรากฏถ้าเดินไปฝนมันตกอย่างนี้แหละหลุดมาทางไอ้บันเต่าท่านะถ้าใครบินสบาดสายบางเขหรือจักบันเตาถ่านพอเดินผ่านสะพานข้ามคลองมาแล้วก็เดินเลาะเลาะเลา ะ, ะ, ะ, ะมาไล่มันสัมาหลังไล่กระปวดนิดหนึ่งแล้วก็หลุดขึ้นมาจะมีอเขาเลี้ยงควายมี บานทักสามสี่หลังคาเรือนเดินมาน้ำก็เชะเชะเเละๆนะเป็นดินเหนียวลื่นๆน้ำจากเอโรงเลี้ยงควายล้วควายมันก็ไหลใอ้อข้างหลังพัฒนากรตัวเขาก็ใหญ่นะเพิ่งบวชใหม่เขาว่าลือนทิ้งบาทมาทั้งลูกเลยหล่นตุ๊บลงมาห้เราทำไงละ่ะโอ้ น้องอยู่หางแถวบาดหล่นแล้วก็เพิ่งบวดใหม่อ่ะเดี๋ยวใจจะเสียพระรุ่นพี่อยู่หัวสุดเมตตาก็ทิ้งบาดเดินเหมือนกันตุบกายเขาคิดว่าขนากดาพี่ยังทิ้งบาดเลยน้องก็เป็นเรื่องธรรมดามากเลยพี่ยังบาดหล่นเลยน้องก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่า ก, กันแต่ว่าเสียงมันดังไปถึงนรกเลยนะเวลาบาดหล่นดี เ, เนี่ยญาติโยมตกใจฝาบาดหล่นดีนะก็ เ, เร่งก็ว่ากันอย่างนั้นคนโบราณ เราต้องรักษาเด็มที่ละบาทนะต้องระมัดระวังกันนะอาหารก็ได้จากบิดาบาัดนเะอีกอันก็คือคนะมผ้าบางสกุลนะปัจจัยสี่ของเราผ้าบางสกุลก็หมายถึงว่าไปรือมาอาจักศพศพที่เขาหอมัตตาสังเอาไว้บนบนบนบนบนพั น, น, น, นันพันเอาไว้สมัยโบราณนะนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีละ จะแล้วก็ไปเฉือนมาไปตัดมาฉีกมาตรงจุดที่มันไม่เลอะน้ําเหลืองไม่เลอะเลือดไม่เหม็นกรรไกรชะสะอาที่สุดแล้วฉีกเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ะตัดเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้จะแล้วก็มาเย็บต่อต่อต่อต่อต่ อ, ต, อ, ต, อต่อกันเป็นเศษผ้าที่เหลือจากการใช้งานเรียบร้อยแล้วผ้าส่งไปชักบางสกุลมาจะแล้วก็มาเย็บ จะได้พืนใหญ่หรือเตรียมไว้เพื่อปะช น, นะพ่าจีวรของพระสองนี่เป็นรอยนะเท่ากาับาแมลงรอดได้นะไม่ได้นะต้องให้เรียบให้เรียบเย็ยบชนใะให้เรียบร้อยจึงมีล่หนาของเข็มแล้วก็ได้นะพระสงฆ์ต้องดูแลผ้าอย่างฝนตกตกนี่เปียกฝนก็ไม่ได้ปนะระเดี๋ยวจะขึ้นลายดี๋ยป่าเนี่ยนะบางทีเราบิธบาตมาเหงื่อใครมันร้อน มันไหลเหลอะผ้านะมันจะขึ้นขี้เกลื อ, อนะก็ต้องตากพึ่งไว้ให้แห้งเพื่อทีจะใช้ต่อถ้าแดดดีๆก็รีบซักทันทีก็เรียกว่ารักษาเด็มที่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีใช้เยอะเหลือใช้มากๆโดยวเฉพาะที่คลงังญาติโยมเดี๋ยวนี้ก็ขยันทําบุญพระป่าอยู่ลําบากแล้วน่าศรัทธาหน้าเข า, าเราก็ช่วยขนขวายสนับสนุนเต็มที่มันก็มีเหลือมากอยู่ เร้วๆนี้อี่ไม่กี่วันก็จะบวเน้นภาคฤดูร้อนก็เลยว่าไม่ต้องไปขอวัดไหนเลยมัดป่าสุโตถึงจะอยู่ชนบทบ้านนอกชาวบ้านยากจนแต่ว่ามีแรงสนับสนุนจากคนเมืองมากมายที่ปฏิบัดทธรแล้วเกิดสัมผัสบุญขึ้นมาจากการิบัติเกิดความเรียกว่าเบาสบายผ่อนคลายก่อนมาที่นมีความทุกข์หนักหนาสาหัสม า, มาในชีวิตอย่างนะ พอมาเจอตัวปฏิบัติเทา น, นั้นโอ้หมันสบายผ่ อ, อนคลายไปเลยเนี่ยเวลาใครมีปัญหามากๆมีความทุกข์มากๆนะ่ยรู้สึกตัวเถอะนะอย่างเช่นวันนี้มีกลับไปอยุ่คนอยู่โรงพยาบาลชจอุ้มก็อายุสีนะ่สิบเศษเนษแต่ว่าทํางานก็พัฒนาศักยภาพตัวเองจนกระทัมาเป็นหัวหน้างานโนะดยเฉพาะไปอยู่นะบัญชีครูบัญชีคุมการเงินอย่างเงี้ยไว้ใจลูกน้องลูกน้องก็รับชั่นนะท้ายสุดก็คือตัวเองก็ ไปประกั น, นการันตีเขาไว้ว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์ไว้ใจได้กลายเป็นเรื่องโหล่พ่อกับพิกล็อกมีข่าวล่ํำลือท้ายสุดก็เริ่มมีการตรวจสอบกันเนี้นตัวเองก็เครียดคิดมากพอเล่าถึงเรื่องนี้ปั๊บก็ร้องไห้เล่าถึงปั๊บก็ร้องไห้เฮ้ยอันนั้นมันคือความคิดเข้าไปคิดแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมารู้สึกตัวให้มากมากรู้สึกตัวหรือเปล่า ต้องคอยทักกันคอยกระตุ้นปลุกกันให้มาหาความรู้สึกตัวี้คิดมาอะไรมาหาความรู้สึกตัวนะจึงเป็นเรื่องที่เราได้อาศัยหรือว่าได้ฝึกหัดรับรู้สิ่งเดียวกันพระอยู่ด้วยปัจจัยสี่ญาติโยมจะอยู่ไหนก็อยู่ไปเถอะแต่ว่าพอมาอยู่วัดป่าสุขตอคือเราก็พยายามอยู่แบบเรียบง่ายเหมือนกันอยู่แบบเหมือนกับว่าสม ฐานะของเราเราอยู่อย่างนี้เลยเห็นว่าปรเผื่อทาลำแจะสะดวกก็ทําไปเดีอยว่าที่นี่บางทีสมัยก่อนแม่ชีแอดก็อยู่ที่นี่ก็หุงข้าวกินกันในกุฏนั่นแหละตั้งใจว่าทําเต็มที่ไม่ไปสนใจใครเลยะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดเพาะบางทีเนี่ยมันไปที่กลัวก็ได้บุญแต่บางทีมันก็ติดอารมณ์กลับมาบางทีแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีแ ล, ะละ้วล่ะเพราะว่าทุกคนก็เข้าออเข้าใจกัน ว่าเราถนัดตรงไหนก็ไปช่วยทำตรงนั้นก็เลยมีบรรยากาศที่เหมือนกับว่าเป็นความสะดวกทำให้เราได้มีการปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มเน็ตเต็มหน่วยบางทีเห็นพระนักบกาบางรูปนะถึงจะบวชใหม่อาทิตย์แรกเลือกที่อยู่ที่อาศัยกางเต็นต์ตั้งใจปฏิบัติเทนแล้วก็โอ้เนี่นี่แหละต่อไปจะได้พึ่งศาสนาจะได้พึ่ง และที่สำคัที่สุดคือเราสามารถยีดพึ่งตัวเองได้เพราะว่าเราทําความรู้สึกตัวเป็นทําเป็นก็หมายถึงว่ามันทําถึงะไม่อยากเห็นก็ไม่มันก็ต้องเห็นไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเรียกว่าเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ําเนียถึงจะพูดไม่ได้พอถึงเวลาที่มันรู้เท่ารู้ทันขึ้นมามันเข้าใจขึ้นมาแล้วก็มันมันเหมือนผีจอปากเลยนะมันพูดน้าไหลไฟดับเลยเป็นสภาวะธรรมเราก็ต้องเป็นกันว่าผ่านกันทุกคนเลย ความรู้สึกตัวมันจะพาไปเองนะพูดไปเป็นก็ต้องเป็นเพราะทุกคนมีคำพูดมาแล้วทุกคนก็มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตใช้คำพูดมาแล้วอย่าเงี้ยพามจะเรียบเรียงมันได้อยู่เนะมื่อถึงเวลานะเราก็เลยนะไม่ปฏิเสธกันนะการอยู่ที่นี่วัดป่าสุขตัวนะทุกๆสถานที่ทุกๆซอกทุกๆมุมนะเราใช้การเกินกันไหวให้เร า, าตื่นจาหลับนั่นแหละมจะเป็นในรูปแบบสร้างชังหวะ หรวเดินจงกลมเป็นลนักษณะของการเก็บแต้มของความรู้สึกตัวเพราะเรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งมันก็เท่าก็ได้แต้มของความรู้แต้มหนึ่งเวลาเผลอเข้าในความคิดปับมันก็ถูกตัดแต้มไปแต้มหนึ่งแต่เวลาถ้ามันคิดแล้วก็รู้เท่ารู้ทันอันนี้ได้สองแต้มเลยเวลามันง่วงแล้วก็รู้เท่ารู้ทันความง่วงนี้ได้สองแต้มเลยแต้มที่หนึ่งคือรู้สึกกับอารมณ์ อีกแต้มหนึ่งก็คือสามารถเข้าใจได้ว่าจิตที่มันมีสติอยู่มันอยู่ตรงไหนมาฐานบ้านของมันอยู่ตรงไหนอันนี้ mm hmm. อีกแต้มหนึ่งนะหรือว่ามันกําลังไม่พอความเป็นปกติไม่พอจะถูกดูดไปละมันรู้ว่าจะถูกดูดไปแล้วมันกลับมาที่ฐานกายมันก็ได้สองแต้มเลยไม่ค่าเท่ากันล่วงกลับมาบ้านหรือว่ากลับมาทํางานต่อสร้างบ้านสร้างเรือนที่อยู่มันก็คือความเป็นปกติมาตรฐานของจิตคือความเป็นปกติเอง มันมีได้ก็ได้นะเวลาทไม่มีเสียเลยเพราะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมามีค่าเท่ากันศูนย์จุดศูนศย์ระหว่างความง่วงกับความโล่งะระหว่างความเบื่อกับความเบาะระหว่างปีติกับการเผลอหลงเข้าไปในความคิดมีค่าเท่ากันหมดเลยทุกๆอารมณ์มันเป็นครูที่บอกทิศบอกทาง ให้เราไม่ต้องยึดอะไรสักตัวนะแล้วแต่อะไรมันจะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ควรจะผ่านไปผ่านมาจะมีเสียงอะไรผ่านไปผ่านมาฝนจะตกแดดจะออกมีค่าเท่ากันระหว่างเดินไปข้างนอกก็อยู่ที่ ท, ที่ปฏิบัติมีค่าเท่ากันอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดความเป็นเกิดความเป็นปกติ เ, เกิดไหวพริบผลิพานขึ้นมาจนกทั้งมันสังเกตได้แล้วก็ได้ข้อสรุปพอสมควร จะเห็นว่ายกมือก็สบายเลยใหม่ๆมันเหมือนกับยกแล้วมีตัวผู้ยกแต่พอทาไปทำไปความหนักหายไปไหนไแล้วมันมีแต่ความรู้สึกอ่ะมันไม่ได้มีมือมีแขนมีขามันไม่ได้มีตัวตนมันไม่ได้มีลักษณะของมือเท้าหรือว่าลมหายใจเรือท้องพองยุบมันไม่ใช่เว็นความรู้สึกตัว มันไม่ใช่นั่งไม่ใช่เดินไม่ใช่ยืนไม่ใช่นอนมารู้สึกตัวมันคือความรู้สึกตัวแต่ว่ารู้สึกตอนไหนไม่ใช่เดินแล้วรู้สึกมันไม่ใช่มารู้สึกขณะที่เคลื่อนไหวมันรู้สึกลมหายใจเป็นการเคลื่อนไหวก็รู้สึกเห็นนะมลมหายใจก็เป็นท่าลมระหว่างเคลื่อนมือก็เป็นท่าลมมันก็เลยเป็นท่าลมนะะให้หนักกดทับหนักๆเป็นท่าดินมันก็คือความรู้สึกนั่นแหละ ก็นี่ตัวรูนะ้ที่มารู้อาการเหล่านี้นะั่นคือตัวรู้ที่เรานะจเจริญสติแล้วมันก็จเจริญขึ้นมาสติจเจริญมากเท่าไรมันก็จะรู้เร็วรู้ได้คมรู้ได้ชัดมากตอนนั้นนะให้มันเกิดความเป็นเองไม่ต้องร้องขอเพราะนัน้นมันมีอะไรเกิดขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์มันจะไม่ผ่านหูผ่านตาคนที่ฝึกสติเป็นไปไม่ได้มันเกิด ดับอยู่ตลอดเวลาทียิบเลยแต่ปัญญาที่มารู้ตรงจังหวะนั้นพอดีตรงนี้แหลที่เราพยายามที่จะสั้นสร้างกั น, นพยายามที่จะสร้างการเจริญสติขั้สร้างการเคลื่อนไหวเรียกว่าสร้างจังหวะ น, นะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเพื่อเห็นสภาว ะ, ะของอการต่างๆที่มันสอดคล้องกับปัจจุบันขณะดดวยเหมือนกั น, นและมันก็คือตัวชีวิตชีวาของเรานี่เองเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ต่ว่ิตมันชอบปฏิที่ความนั่นเองมีสัญญามีความจำที่จำตามทิพถีมานะตามความเห็นแล้วก็ชอบมีการเปรียบเทียบมานะหมายถึงเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบต่างๆนั่นานะชอบเอาเหตุเอาผลก็คือความเห็นต่างๆที่เป็นพื้นฐานแต่ท้ายสุดก็คือเราไม่ได้ไปบัตรโดยการใช้ความคิดเราอยก่โดยการที่เราใช้การสัมผัส เพรันสัมผัสเบื้องต้นมันจะเป็นการสัมผัสในทุกๆอารมณ์ะในทุกๆอาการที่มันเป็นตัวชีวิตของเราต่อไปอย่นีเช่ น, นกายเคลื่อนไหวแล้วก็สัมผัสเเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วก็สัมผัสไม่ได้คิดเอาเลยหิวข้าวอเงี้ยไม่ต้องคิดใช่ไหมมันเป็นอาการที่รู้เร็วมันหิวหิวมันร้อนร้อนขึ้นมามันแสบท้องเงี้ยมันเป็นอาการเร็วกว่าความหิวเราไม่ได้มีความคิดท้ายสุดมันก็เป็นลักษณะของว่า ความหิวก็แสดงว่าอาการเกิดดับเกิดดับเกิดดับคนหิวนี่ถือว่าดีนะแต่ถ้าไม่หิวนี่ใช้ไม่ได้เลยแหละนะอย่างเช่นคนที่เขามาปฏิบัติเข า, เขาบอกว่าเขาหิวข้าว อ, อาจารย์ก่อนหน้านะี่ยมันคิดแต่เรื่องจะทํายังไงจะทํำยังไงะงไงนะโดนคอร์รัปชันโรงบานเราเราต้องรักษากันให้กับประเทศชาติแต่ท้ายสุดโดนคอร์รัปชันโดนคอร์รัปชันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงมันคิดอย่างนั้นนะ มันเลิมหิวไปเลยก็บอกนะไม่หิวเลยนอนก็เลิมนอนไปเลยมีแต่นั่งน้ำตาซึมเงี้ยแต่พอมาปฏิบัติไม่กี่วัน่ะมันหิวรู้สึกว่าตอนเย็นหิวข้าวตอนเช้าหิวข้าวก็นี่แหละก็คือธรรมชาติเราสัมผัสแป๊บระหว่างความหิวกับความรู้สึกเราจะเลือกเอาตัวไหนการเคลื่อนกันกไหวแล้วรู้สึกนกับตัวหิวนะมันจะเลือกเอาอันไหนเลือกเป็นไหม ถมาหาความรู้สึกแป๊บมันก็เป็นความปกติแต่ไปหาความขิวมันก็กลายเป็นความทุกข์กันแหละแต่ถ้ารู้ว่าความขิวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเอาได้ปัญญาอันนี้ก็จะไม่ได้เกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นมาจากการเข็ดหลับบางทีมันเข็ดนะปฏิบัติเนี่ยนั่งนานๆมันเข็ดไปเลยบางทีหิวอย่างเงี้ยมันเข็ดไปเลยอยากกินกาแฟไว้ได้กินกาแฟเอาเข็ดไปเลย เรื่องที่ก็ตามใจตัวเองไปเลยนะมันก็เลยไม่ได้รู้ของจริงกันทุกทีของจริงก็คือเห็นทุกขนะ์เห็นจกระทั่งมันกิดการปล่อยการวางทุกขไม่ได้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นธรรมชาติที่เราต้องแก้ไขป่อนกายบรรเทาให้เขาเคือจัดระเบียบกายมันเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เรียกว่าศีลร ะ, ะเบียบอาจารเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เรียกว่าศีลจิตใจเราปกติดีเมื่อไหร่เรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เรียกว่าศีลเหมือนกันละศีลเกิดในจิต มาเกิดที่วาจาเกิดที่กายคราวนี้ในจิตมันปกติมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาเกิดเป็นสมาธิซ้อนขึ้นมาอีกเตั้งมั่นรู้อยากรู้เนะือรู้ตัวรู้นะสติมีสติรู้สติมีสติรู้จิตเนี่ยเมื่อกายเรื่องเป็นเรื่องของปัญญาขึ้นมาต่อไปก็รู้ที่อยู่ของเราเป็นสติเป็นศีลสมา ธ, มาธิปัญญาต่อไป มันก็จึงเป็นคุณธรรมนเป็นคุณภาพของนักปฎิบัติที่มีการพัฒนาขึ้นมามันก็จะหายก็สงสัยได้คำตอบมีปรัสนาเป็นยังไงสมถะเป็นยังไงบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงเรื่องของพบภูมิเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงเรื่องของกิเลกรรมวิบากเป็นยังไงเรื่องของ มรรผลนิพพานเป็นยังไงทุกออกจากทุกเหตุแหกทุกเป็นยังไงมันเห็นทุกนั่นแหละการเคลื่อนการไว้ะหรือว่าจิตเวลามาันเคลื่อนไหวความคิดเป็นทุกไม่เห็นเหตุะเราไม่มีตัวสติไม่มีความรู้สึกตัวมันก็เลยหลงเข้าไปเป็นอุปทานเกิดปัญหาทยานยาขึ้นมาแล้วก็ยึดติดต่อไปก็ได้เห็นเราก็จึงมันกัว่าสดชื่นปฏิวัติธรรมมันเป็น คามสดชื่นมันเป็นระนาดของการเตื่นรู้รู้แล้วก็มีชีวิตมีจิตใจที่มันเปลี่ยนไปต่างจากภาวะเก่าๆที่เราเคยเป็นเคยรู้แล้วก็หลงเข้าไปไม่สบายตอนที่มันรู้แล้วไม่หลงมันก็ได้สบายได้เป็นความสะดวกการใช้ชีวิตก็คล่องตัวต่อไปพูปดไปพูปดไปก็หมดเวลาสินะวันนี้เห็นว่าสม ค, ครวรเก็บเวลาที่เรากราบพระพร้อมกัน